ิานทยพลังของพี่น้องสามหนุ่มกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านดัสมานามีชายผู้ดึงอาศัยอยู่นามว่าอาโคและภรรยาของเขาถีา่หน้าอาโคเป็นผู้ใหญ่บ้านเขามีที่ดินพื้นใหญ่เขารักภรรยาของเขามากเขามักจะซื้อดอกไม้และมอบมันเป็นของขวัญแด่เธอเสมอเขาดูแลภรรยาผู้ที่กำลังตั้งครรภ์เป็นอย่างดี และทุ่งนาที่พวกเขาเป็นเจ้าของเองก็เช่นกันนี่เป็นของขวัญสำหรับเธอเ่รักโอ้ด่ารักจริงเลยขอบคุณนะคะวันหนึ่งเมื่อเด็กทารกลืมตาดูโลกขึ้นภรรยาของเขาถูกส่งไปยังศูนย์ดูแลเธอเริ่มรู้สึกป่วยหนักและมีอาการปวดร้ายแรงอย่าหวงไปเลยที่รักคงจะต้องไม่เป็นอะไรแน่ เมื่อเขาพูดจบพระยาถูกส่งตัวไปพร้อมกับพยาบาลทำคลอดอาโคอรอยอยู่ด้านนอกเขาเป็นกังวลมเมื่อเขาได้ยินเสียงอันบ้าคลั่งดังอยู่ด้านในไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปเสียงดังนั่นก็เงียบลงและเสียงร้องไห้ของเด็กจากระยะไม่ไกลนักก็เริ่มดัง พยาบาลทาคลอดเดินออกมาพร้อมอุ้มทารกซึ่งถูกผ่านด้วยผ้าห่มอยู่ในอ้อมแขนแต่เธอดูเศร้าซ้อยและมีน้ำตาไหลเารือในดวงตาของเธอเด็กผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายสุขภาพดีถ้าฉันเสียใจด้วยที่เราไม่สามารถยื้อชีวิตภรรยาคุณเอาไว้อ๋อไม่อาโคเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักและเป็นทุกข์กับข่าวของภรรยา เขายอมแพ้ในหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้ใหญ่บ้านและไม่กี่วันถัดไปน้องสาวของเขาก็มาอาศัยอยู่ในบ้านตลอดคอยเลี้ยงดูเด็กชายตัวน้อยไซมอนอาโคพี่ควรที่จะได้รับความสุขอีกครั้งลูกชายของพี่ต้องมีคนคอยดูแลทำไมพี่ถึงไม่แต่งงานใหม่ซะละ่ะทำไมกันน้องจะไปไหนพี่ไม่อยากแต่งงานกับใครทั้งนั้นนะ่ะ น้องเองก็ไม่ได้ไปไหนหรอกจ้าแต่เด็กคนนี้ต้องการใครบางคนคอยให้ความรักประดุดมารดานะหลังจากการชักจูงอยู่นานอาโคจึงตบตกลงและในไม่กี่สัปดาห์ถัดไปเขาก็ได้แต่งงานกับสตรีสาวน่ารักจากหมู่บ้านดอนนาดอนนาเป็นหญิงสาวน่ารักและใจดีผู้ที่คอยดูแลไซมอนและรักเขาปราะดึงลูกของตัวเอง นี่เป็นสิ่งที่คอยช่วยปลอบให้อาโครู้สึกดีขึ้นและไม่นานนักเขาก็กลับไปเป็นชายผู้มีความสุขแบบที่เคยเป็นหลายปีผ่านไปครอบครัวอาโคเริ่มขยายใหญ่พวกเขามีลูกชายเพิ่มอีกสองคนไรอันและโรสนีดอนหน้ารักพวกเขาทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เคยแบ่งแยกพวกเขาเธอดูแลไซมอนเหมือนลูกแท้เด็กๆนี่ของลูกทุกคนนะจ๊ะ ว้าวสุดยอดขั้งข่าวนี่เป็นฮีโร่ในดวงใจของผมเลยฮะสุดยอดเลยครับขอบคุณครับทายเขายอดไปเลยล่ะของผมด้วยขอบคุณครับแม่หลังมีลูกชายแล้วสองคนความรักของเธอต่อไซมอนก็ไม่ได้ลดหลั่นลงเธอก็ยังคงเหมือนเดิมเธอไม่เคยให้ไรอานและร็อดนี่รู้เลยว่าไซมอนคือพี่ชายต่างแม่ของพวกเขา อาโคมักจะพาเด็กๆออกไปที่ไร่ทุกๆปีและพวกเขาก็จะทําหุนไล่กาด้วยกันไซมอนไปเอาฟางมาสิลูกครับพ่อครับไรอันรอดนี่หยิบไม้และเสื้อผ้ามาด้วยนะครับพ่อครับครับพ่อครับพวกเขาชอบทำหุนไล่กาด้วยกันพวกเขาทําพวกบอลด้วยกันทุกปี อยู่มาวันหนึ่งเวลาล่วงเลยผ่านไปเมื่อเด็กๆโตเป็นหนุ่มใหญ่อาโคก็แก่ตัวลงแล้วก็ตายจากไปไซมอนรับผิดชอบเรื่องบ้านทั้งหมดเขาดูแลไรและปกป้องครอบครัวพวกเขาเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแม่ครับนี่ชุดใหม่ของคุณแม่ครับ ขอบใจนะจ๊ะลูกนี่สำหรับไรอันรองท้าพูดที่นายพูดถึงยังไงล่ะโอ้ขอบคุณมากครับพี่โอ้นี่เยี่ยมไปเลยแล้วก็รสพี่มีของชิ้นพิเศษมาให้ด้วยนะว้าวผลงา์ที่ผมอยากได้มาตลอดขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณ สิ่งนี้ทำให้เพื่อนบ้านเกิดความอิจฉาและพวกเขาก็มีแผนที่จะจัดการรู้พวกเขาสิกับที่ดินทั้งหมดนั่นใช่ฉันมีทางที่จะเอาที่ดินพวกเขามาบางส่วนให้ได้เลยนั้นเหรออะไรล่ะล้องชายสองคนไม่รู้มาก่อนว่าไซมอนคือพี่ชายต่างแม่โรโบพวกเขาแล้วทำไมพวกเขาอยู่ตรงข้ามกับไซมอนได้ เมื่อพวกเขาไล่สายสม่านออกไปให้พ้นทางเราก็ยึดเอาที่ดินพวกเขาได้ไงเล่าแล้วพวกเราก็จะรวยกันถูกใจฉันจจริงเลยวันถัดมาเมื่อไรอันกับรถนี่กําลังจะไปที่ตลาดเพื่อนบ้านสองคนก็มาหาพวกเขาฉันเห็นว่าพี่ชายต่างแม่ของนายของกวัญฉันดีแก่นายนี่ใช่ไหอะไรนายพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยโอ้ นมยไม่รู้เรื่องเหรอเนี่ยเขาเป็นลูกชายคนแรกของพ่อนายก่อนที่เขาจะมาแต่งงานกับแม่ของนายเด็กชายตกตะลึงในสิ่งที่เพื่อนบ้านบอกเขาพวกเขาบอกด้วยว่าการที่ไซมอนจัดแจงในความรับผิดชอบทั้งหมดเขาไม่มีทางให้สองพี่น้องได้รับมรดกที่ดินครึ่งหนึ่งเป็นแน่ไมยรู้ไหมว่าทาไมเขาถึงให้รถคันนี้กับนายนะ่ะใช่ไม่รู้ใช่ไหมรู้หรือเปล่าเออเออไม่ นี่คือสิ่งที่ทำให้นายง่วนอยู่กับเรื่องเล็กๆในอน้อยยังไงล่ะเขาจะได้พบสมบัติเอาไว้คนเดียวยังไงเล่ารู้ซะด้วยนะใช่เขาไม่ใช่ปีชายนาะจริงๆซะหน่อยเขามันก็แค่อีกคนเห็นแก่ตัวจอมโลภไงได้วยความที่ไม่ได้รู้ถึงเจตนาของเพื่อนบ้านพี่น้องทั้งสองถูกเรียกกล่อมให้ต่อต้านใส่มอนพวกเขาเดือดดาลและแตัดสินใจจะกาจัดใส่มอนทิ้งไปซะเอาเถอะ เราต้องใส่หัวเขาไปสักและไปบอกแม่กันสองหนุ่มพากันกลับบ้านทันทีและเล่าให้แม่ฟังทุกอย่างเธอตกใจที่ได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดอย่าโง่ไปหน่อยเลยพี่ชายของลูกไม่ได้เห็นแก่ตัวผมไม่อยากได้ยินอะไรอีกต่อไปแล้วถ้าแม่ไม่ไล่เขาไปพวกผมจะจัดการเองไม่มีเหตุผลที่ต้องกำจัดเขาเยวแม่ลงมือเองนะ ดอนน่าเสียใจอย่างสุดซึง้งและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทําไมพวกเพื่อนบ้านถึงบอกเด็กๆในเรื่องนั้นและเจตนาพวกเขาคืออะไรฉันต้องหาทางจัดการทําให้เรื่องนี้มันถูกต้องเธอตื่นทั้งคืนเป็นกังวลพยายามที่จะหาทางสั่งสอนลูกๆและเพื่อนบ้านคืนนั้นเองเมื่อลูกทั้งสามคนนอนหลับไปอย่างวัเธอร้องออกมาโง่ โอ้งูไหนครับมันอยู่ไหนครับโอ้ลูกแม่ได้เห็นมันหายไปในท้องของลูกโอ้ไม่นะฮะตั้งแต่นั้นมาความอยากอาหารของเขาแย่ลงเรืเร่อยๆเขานั่งอยู่บนเตียงทั้งวันและไม่กี่วันเขาแทบลุกขึ้นนั่งบนเตียงไม่ได้การที่ได้เห็นพี่ชายต่างแม่ในสภาพนี้พี่น้องรู้สึกเหมือนภารกิจของพวกเขาสำเร็จ เพื่อนบ้านต่างดีใจไปกับการได้ยินถึงความอ่อนแอของไซมอนอแผงของเราสำเร็จแล้ว <laughs> ใช่ทีนี้ก็ไปพุบที่ดินของพวกเขากันดีกว่าเพื่อนบ้านขยายอนาเขตเข้ามาอย่างรวดเร็วและล้ำเส้นแบ่งเข้ามาในพื้นที่ของพวกเขามากมายเด็กหนุ่มพยายามทุกวิถีที่จะนำที่ดินกลับขึ้นมาแต่ก็ไร้ประโยชน์เฮ้นี่มันไร่ของเรานะ <c oughs> เมื่อเห็นแล้วว่าพวกเขาถูกหลอกโดยเพื่อนบ้านจอมหลอกลวงและชั่วช้าพวกเขารู้สึกละอายใจเป็นอย่างยิ่งและกลับไปขอโทษแม่และขอให้เธอช่วยเหลือพวกเขาแม่ครับพวกเราขอโทษเราสำนึกในความผิดที่ทำลงไปแล้วครับแม่ไม่ควรที่จะใส่ใจในน้ำคำพูดของเพื่อนบ้านเลยอะไซมอนเป็นพี่ชายที่ดีมาโดยตลอดเขาดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเลยอะ และถ้ามันไม่ใช่เพราะพวกเราเขาก็คงสบายดีแล้วตอนนี้คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรจันลูกรักก็ได้แต่บอกว่าพี่เขาจะดีขึ้นไหนไม่ช้าคืนนั้นเองลูกๆของเธอนอนหลับไปอย่างรวดเร็วเ้าร้กองอกมาโอ้งูงูงใส่มอนตอบกลับด้วยน้ำเสียงเหนื่อยอ่อนไหนครับแม่เห็นมันที่ไหนแม่เห็นมันออกมาจากปากของลูกแล้วก็หายไป ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาการของไซมอนดีขึ้นเป็นอย่างมากและตนไม่ช้าเขาก็เริ่มถัดอาหารและเดินไปรอบๆได้วันหนึ่งเมื่อเขาเออกไปกลางไร่เขาเห็นที่ดินของตอนเองถูกบุกรุกโดยเพื่อนบ้านฉันรู้ดี ว, ว่าจะต้องจัดการมันยังไงไซมอนไปหาผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านอธิบายให้เขาฟังว่าตนเองล้มป่วยหนักจากนั้นเพื่อนบ้านก็เข้ามารุกล้ำที่ดินของเขา เมื่อเห็นว่าไซมอนสามารถออกมาข้างนอกได้แล้วเพื่อนบ้านเกิดความกลัวและหวาดวันในสิ่งที่ไซมอนจะลงมือกับพวกเขาโอไม่นะไซมอนกลับมาแล้วเราจะทำยังไงกันรีล่ะนี่ยและแล้วผู้ใหญ่บ้านก็มาถึงพร้อมกับผู้พิทักษ์หมู่บ้านพวกนายจะต้องมากับเราแล้วก็ถอนรั้วของพวกนายกลับไปเดี๋ยวนี้เลยรับทราบแล้วครับรับทราบครั บ, รบ เพืนบ้านทั้งสองรายถูกลงโทษและถูกขังคุกพวกเขายอมเคืนที่ดินให้กับใส่มอนแถมได้รับบทเรียนว่ามันไม่ไดีเอาซะเลยที่คอยหลอกลวงผู้อื่นและขโมยสิ่งที่ไม่ใช่ของตนส่วนพี่น้องสามคนพวกเขาเองก็สนิทกันกว่าที่เคยเป็นพวกเขาช่วยกันดูแลไร่และทุกคนก็ลุกเติบโตในฐานะครอบครัวสุขสันต์